ธรร ม, มชาดกแผ่นที่6ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มกราคม2545มีชื่อเรื่องว่าปตาจราผู้น่าสงสาร วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสองวันเพ็ญหน้าเนี่ก็คงจะเป็นวันมาค่าบูชาแะ้วต่างวันแรมแปดค่ำเดือนสองเมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์จะนิมณ์ไปพูดไปประชุมเกี่ยวกับหนังสือหยดน้ำบนใบบัวของหลวงตาน่นะเดี๋ยวนี้คณะครูบาอาจารย์ทั้งจังหวัดทั้งปถมมัธยมประชุมกันที่จะ เอาหนังสือหยดน้าบนใบบัวที่จะแยกออกมาเป็นบทๆแล้วก็จะสอนตั้งแต่ปฐมหจนถึงมหกวางนั้นเถอะเปิดจตุนมนฝ่ายพระไปด้วยแล้วก็ราวาครวญครูบาอาจารย์นจะมารวมกันแล้วก็คงจะประชุมกันจะเอาหนังสือหยดน้ําบนใบบัวของลงุงตาสอนในจังหวัดอุดรก่อนแต่นี้มาพิจารณาดูแล้วการที่จะ เอาหนังสือสอนเนี่ยคนที่จะสอนภาษาไทยมันก็ต้องรู้ภาษาไทยพอสมควรตัวรอตัวไหนออกเฉียงยังไงถ้าพวกวิทยาศาสตร์ก็ต้องรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พอสมควรวิศวะก็ต้องแผนแกไหนก็ต้องรู้พอสมควรทีนี้เรื่องพุทธศาสตร์สนาเนี่ยยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนที่จะเอามาสอนสมสีม่มห์ยนย เ, นเนี่มันยากไปเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติจิตภาวนาไม่เคยภาวนาสเสลยไม่เคยนั่งสมาธิสเสลยเนี่ยจะมาสอนเรื่องสมาธิจะมาสอนเรื่องปัญญาเนี่ยวิธีการปฏิบัติมันไม่ใช่ของงนะ่ายๆมันเรื่องอยากพอสมควรอยู่วันนั้นครูสอนศิลธรรมเนี่ยมันต้องเอามาอบรมซะก่อนแจะตามไม่ยิงถ้าหากเป็นไปได้ก็อย่างว่า ที่เขาคิดกันว่าเอาพวกที่เรียนจบมาทางมหาป ร, ริญยามหามาัุฑและมหาจุฬาฯพวกนั้นน่ยพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางทฤษฎีแต่ทางภาคปฏิบัติแล้วก็ยังยังอ่อนอยู่แต่เหมือนกับรู้แต่าทางทฤษฎีทางภาคปฏิบัติยังมีแต่พูดเหมือนกับนกแก้วนกคุนทองพูดอย่างนั้นน่ะใครเข า, ามันไม่หนักแน่นแต่ถ้าว่ามีใครมาชักชวนไปทางวิทยาศาสตร์มากระเชไปได้ง่ายๆเหมือนกัน เพราะมันหลักใจไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีหลักใจเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งปริยัติ ด, ด้วยทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยอันนั้นจะหนักแน่นกว่ามั่นคงยึดด้วยลําแข่งตัวเองางั้นเหมือนกับเรามีแผนที่คนหนึ่งมีแผนที่แต่ไม่เคยเดินไปตามแผนที่เหมือนกับเราเดินไปจังหวัดอุดร อ, อย่างนี้แผนที่เขาบอกว่าพอกกินีไปที่ไหนไปบ้านนายยุง ไปบ้านสว่างฟากลางไปเขาขาดไปบ้านผือไปที่ไหนเขาก็ไล่ไปเรื่อยแต่คนนี้มีแต่ดูแผนที่เฉยๆไม่เคยไปคนหนึ่งมีแผนที่ด้วยแล้วก็เดินไปด้วยตามแผนที่แล้ว่าประสบการณ์คนที่เดินไปกับคนที่มีแผนที่อยู่ในมือเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันต่างกันเลยถ้าว่าคนที่มีแผนที่เนี่ยคนหนเอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่น่าจะมีคลอง มันว่าเอาอย่างงั้นแหละไอ้คนที่ดูแผนที่ไม่เคยไปนี่ก็เฉยแล้วว่างั้นแต่เออใช่น่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าไนะไม่น่าจะเป็นอย่างงั้นแต่คนที่ไปนี่ยตามเหตุการณ์ไปตามแผนที่เนี่ยไปดวเออมันเป็นยังไงภูมิประเทศเป็นยังไงตรงไหนเป็นฝ่าตรงไหนเป็นลงตรงไหนเป็นโคกเป็นแพะตรงไหนมีโขดหินตามรายทางไปเขาจะรู้ได้นี่แหละคือทางฝ่ายประหยัดแล้วก็ปฏิบัติ ปริยัติและปฏิบัติต้องไปพร้อมกันไปด้วยกันดังนั้นเรื่องที่จะเอาครูบาอาจารย์สอนทางธรรมะทางภาคปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะพีรนาดูละแต่ถึงยังไงถ้าถึงจะ ง, ง่ายจะยากมันก็ต้องสอนกันอนะอันดับแรกก็ต้องสอนให้เชื่อซะก่อนศรัทธาคือความเชื่อตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริง บาปบุญคุณโทษมีจริงใครทำกรรมบันไดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ต้องสอนให้เชื่อไว้ก่อนการที่จะเชื่อไว้ก่อนนี่จะทำยังไงอันนี้มันก็ต้องยากอีกเหมือนกันนะจะต้องฝึกหัดจิตตภาวนาถ้าจะให้เชื่อจริงๆก็คือเนี่ยนัน่งภาวนาทำจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งจนเกิดความรู้ความชำนาญขึ้นในจิตใจความเชื่อมันจึงจะมั่นคง แต่ถ้าว่าได้ยินแต่เขาพูดเหมือนกับมันก็เป็นทฤษฎีอีกอย่างเก่านั่นอ่ะมันก็ไม่มั่นคงอีกอย่างเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องการสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ของสอนง่ายๆศ า, ส, าสนาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่เดาไม่ใช่ประมาณการพระพุทธเ จ, าจ้าจะบอกผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอจะรู้ได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะรู้ยากที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตัศรู้เนี่ยท่านไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในเบียงในวางแหละคาดคะเนเอาไม่ใช่อย่างนั้น ไปบําเพ็ญอยู่ทั้ง6กปีอยู่ในป่าลมลุกคลุกคาน่หลอดลมหลอดตายอดอาหารถึง49วันบําเพ็ญถ ะ, ะทุกอย่างในศาสนาอื่นในยุคนั้นเขาทายังไงพรธองค์ทําอย่างนั้นจนได้ตัดสรู้ธรรมสรุปแล้วก็คือบําเพ็ญทางจิตตะภาวนาทางจิตใจทางนามธรรมาไม่ได้บําเพ็ญทางลําบากกายแต่บําเพ็ญทางจิต แต่ว่าถึงยังไงก็เถอะการบำเพ็ญทางจิตมันก็ต้องกายวายจารต้องประกอบไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราจะบำเพ็ญแต่ทางจิตอย่างเดียวไม่บำเพ็ญทางกายด้วยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีส่วนแต่ก็ไม่ควรจะเกินไปคือส่วนกายก็พิจารณารื อ, อดอาหารอย่างนี้หรือรักษาสิ้นแปดอย่างนี้คือมันให้เขย่ากายให้กายมีความรู้สึกใจจึงจะรู้สึก เออมันเขี่ยเอเนื่องกันในกายวาจาใจเลยเออมันต้องอาศัยกันแต่ชําระก็คือชําระใจเท่นี้แต่ส่วนกายนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติแต่ว่าส่วนใจนั้นไม่ทางวายังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องไปเกิดพบน้อยพบใหญ่เกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นมัวเป็นควายเป็นช้างเกิดไปได้ทั้งหมดละงั้นเถอะแต่ถ้าว่าคนชรางบุญสร้างกุศล มีบุญกุศลในจิตในใจก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์จากนั้นก็เป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมไปเรื่อยด้วยบุญกุศลที่พาไปสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่บางคนก็บอกว่าทําไมเขาตายแล้วทําไมจึงไม่มาบอกมันมาบอกไม่ได้เหมือนกับเรานั่งทีเดียวนี้สง่งจิตไปหาการเลยว่าข้าคิดเรื่องอะไรเออ ทั้งที่เห็นกันอยู่คิดเรื่องอะไรเมยังรับไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องมือเพราะไม่มีสมาธิมันไม่มียานัทศนะถ้ามียานัทศนะแล้วจะรู้ได้วันนั้นคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ภาษาวกท่านรู้ได้เพระาะท่านมียานท่านมีเครื่องมือถ้าพวกเราอยากจะรู้พวกเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือเอาไว้เหมือนกับเขาเปิดสถานีวิทยุ น, นั่นแหะถ้าเราไม่มีเครื่องมืออย่างนี้แหละนั่งอยู่ไม่ได้ยินอะไร มีเครื่องมือขึ้นมามีวิทยุรับขึ้นมามันเกิดเสียงดังขึ้นมานะเขาเปิดที่ไหนสถานีไหนเขาพูดอย่างไรเราก็รู้ได้อันนี้แปลว่ามีเครื่องมือเพราะฉะนั้นเครื่องมือในทางพุทธศาสนาเนะี่ยคือสมาธินี่แหละคือเครื่องมือแต่มันสมัยยุคนี้สมัยนี้นการเชี่ยวชาญหรือว่าการชำนิชำนาญในการทำหรื่อบุญวาสนาบรารมีเออมันหลายหายอย่างบุญบรารมี สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ล่อยลอลงไปไม่เหมือนยุคนั้นยุคนั้นเป็นคนที่สั่งสมบุญบา ร, รมีมาพร้อมที่จะได้ตัดสู้ทรเพราะนั้นเกิดมายุคนั้นก็เหมือนกับเป็นยุคเกรดเอว่างั้นเถอะเนอพูดกันอะไรรู้เรื่องทั้งหมดล้วนแล้วแต่ศีลธรรมในยุคนั้นแต่พร้อมกันก็อย่าว่าแต่ไม่ศีลธรรมอย่างเดียวนะสารเลวก็มีตั้งมากมายมหาศาลเหมือนกันไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะ คนชั่วมันก็ต้องมีคนเลวมันก็ต้องมีในพระไตรปิฎกอ่านอ่านดูแล้วสิ่งที่ไม่ควรเกิดมันก็เกิดขึ้นก็มีอย่างพระเทวทัตเนี่ยจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็มีนางจินจามนเอวิกหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าก็มีรักษาพวกคนอื่นที่ประสบเรื่องคนฆ่าคนตีมีต่งเยอะแยะในยุคสมัยนั้นถ้าจะว่าไปยุคสมัยนี้ยังไม่ทารุณถึงยุคสมัยนั้นอีกต่างหากว่างั้นะ แต่คนดีก็ดีจริงแต่คนเลวก็เลวเพรางั้นเถอะเพราะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งเลวมีทั้งดีนะนะั่นแหะเกิดมาพบใดชาติใดพวกเราจะต้องได้พบได้เจอแน่นอนนะนะั่นแหะการเกิดมาเป็นมนุษย์ใครเกิดมาแล้วจะปูด้วย ก, กีบดอกกุหลาบเป็นไปไม่ได้ยากเพราะงั้นเถอะมันต้องมีเรื่องกระทบกระเทือนใจไม่มากก็ต้องน้อยแต่ถึงยังไงเราก็ต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกละรู้จักทำใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาใจตัวเองนั่นหะจะให้ทาใจคนอื่นให้มันเป็นอย่างใจเราเป็นไปไม่ได้คิดไปเกิดมาชาติหน้าก็ตายเปล่าอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างใจเราตายเปล่าเพราะนั้นมีทางเดียวคือทําใจของเราสิ่งไหนควรจะทําอย่างไรทํามันเกินไปเราก็ทําไม่ได้สิ่งไหนที่เราจะทําได้มีไหมมีคือทาใจก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ใจ ของตนเองนั่นแนหะเราต้องคิดว่าเราเกิดมาเราเกิดมาจากใค ร, เ, รเกิดมาจากที่ไหนเมื่อเราเกิดมาเราถืออะไรมาด้วยเราเกิดมาเพราะกรรมของเรากรมในอดีตของเราเราทําดีจึงได้ดีทําชั่วได้ชั่วถามว่าเราเกิดทดําดีบุญกุศลของเรามีในอดีตเราเกิดมาแล้วก็ต้องเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมล้ำรวยกว่านี้ดีกว่านี้ร่างกายของเรากพร้อมกว่านี้ ถ้าหากว่าที่บุญของเราในอดีตมันมาขนาดนี้มันจะนํามาเจออย่างนี้จะได้มาเจอคนอย่างนี้จะได้มาเจอพวกอย่างนี้หมูพกเกลื่อนอย่างนี้ให้ถือว่ากรรมของเราเพราะฉะนั้นที่เราจะทําให้ดีกว่านี้เราเราจะทํำยังไง เ, เราต้องสร้างให้มากกว่านี้แท่นี่เดืองรักษาศีลอย่าประมาทอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างเนี้ยควรจะรักษาศีลวัน8ค่ำทิพย์ห้าค่ำ รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทำจิตทำใจของตนให้ดีให้มีเหตุมีผลสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วอย่าไปคิดทำนั่นแหละเรียกว่าประคับประคองกายวาจาใจของตนให้ดีต่อไปภายภาคหน้ามันจะดีเองถ้าเรารักษาปัจจุบันให้ดีแล้วนะแต่ถ้าว่าเขามากัดขาเราเราก็ไปกัดขาเขาหมากัดขาเราเราไปกัดขาหม า, เ, าเราก็ยิ่งชั่วกว่าหมาไปอีกเราต้องรู้จักเราต้องแบ่งแยกให้ออก ว่าเป็นยังไงเหตุและผลเป็นยังไงนั่นแหละเนี่ยการเกิดมาพบพุทธศาสนาท่านได้สอนให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญานั่นน่ะดังนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทธ์ให้สั่งสมบุญกุศลใส่จิตใ ส, ใส่ใจของพวกเราให้มากๆไม่ถึงร้อยปีละ่ะต่างคนก็ต่างไปแล้วถึงจะรักถึงจะเกลียดถึงจะโกรธถึงจะพออกพอใจไม่พออกพอใจยังไงก็เถอะต่างคนก็ต่างไปทั้งนั้นแหละมาได้ไปด้วยกันหรา เกิดพบหน้าชาติหน้าก็เอา้าว่ากันใหม่อีกถ้าเรามีบุญวาสนาบารมีก็เอ้าพบคนดีต่อไปถ้าเราไม่มีบุญวาสนาบารมี ME, เกิดมาพบนี้ชาตินี้เราไม่เนี่ยมีแต่ทำกรรมชั่วมีแต่คิดกรรมชั่วมีแต่คิดอยากจะให้เห็นเขากัดเราก็กัดขาเขาเนี่ยผลในสุดมันก็พันกันอีหลุงตุงนางไปงั้นเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เจอกันอีกคนไม่ดีเพราะนั้นเราต้องการอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็พยายามถีบตัวของเราออก สร้างคุณงามความดีทําใจของเราให้มีเหตุมีผลให้จิตใจของเราเบิกบานให้จิตใจของเรามีคุณภาพมีคุณธรรมบําเพ็ญใจของเรานั่นแหะนี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวของเราพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแต่ละภพแต่ละชาติแต่ถึงยังไงยังไงก็ต้องเจออย่างนางปัตตาจาราอย่างนี้แต่งงานก็ไปแต่งงานกับคนใช้ไปได้เสียกันพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน หนีออกไปอยู่ในชนน้าบทต่อมาก็มีลูกพอมีลูกคนนึงคิดว่าจะกลับบ้านจะมาคลอดลูกที่บ้านผล ท, ที่สุดมาออกลูกครึ่งทางสามีตามมาทันกลับไปอีกไปอยู่ด้วยกันอีกต่อมาอีกลูกคนที่สองพอจะคลอดลูกคิดถึงพ่อกินแม่กลับมาถึงอีกมาถึงทางสามีก็ตามมาอีกพอมาถึงครึ่งทางที่นี่ มาคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จแล้วเวลาฝนตกพอดีเมฆตั้งขึ้นขนาดหนักเลยไอ้สามีก็เดินเข้าไปซุ่มซ่ามเข้าไปเพราะกลางคืนไม่มีไฟฉายเนก็ไปตัดเอาไม้มาเพื่อจะลองให้เมียตัวเองคลอดลูกฝนก็ตกเดินเข้าไปในจอมปวกไอ้จงอางก็อยู่ที่นั่นมัน้งเลยชกไปซะสามีก็ตายตัวเองก็คลอดลูกอยู่ในกลางป่า หลับตาดูก็แล้วกันว่าจะทนทุกข์ขนาดไหนเหมั้นกันแทั้งลูกน้อยอีกคนหนึ่งจากนั้นก็อุ้มลูกน้อยโดยทั้งกบทุูกคนหนึ่งด้วยอุปกรณ์ผ้านุ่งห่มกคงจะไม่มีแต่ฝนที่สุดพอสว่างขึ้นมาเลยเออพ่อของเจ้าไปทางนี้เนี่ยไปทางไห น, นพอไปเห็นโอยนอนตายล่ะงูจงอางฉกงูเห่ามันฉกตายแล้วฝนที่สุดทำยังไงนางก็อุ้มลูก น้อยที่เกิดใหม่ในคืนนั้นกับลูกชายเดินไปในฝั่งแม่น้ําที่จะข้ามแม่น้ํามาเจลวดีมันฝนตกในคืนนั้นน้ําก็เอ่อขึ้นมาเอ่อขึ้นมาก็เลยเ อ, อจะเอาอยัางไงจะเอาข้ามยังไงอุ้มลูกคนโตไปก่อนแล้วเอาลูกคนที่เกิดใหม่เอาไว้ฝั่งนี้ว่า ง, งั้นเอาผ่านปูใช่เปล่ให้มันนอนอยู่อุ้มไปทางนู้นพออุ้มไปทางนู้นน้ําก็ลึกพอสมควรนะครคงจะข้ามได้พ อ, อลูกคนที่หนึ่งไปวางไว้ฝั่ง้างนู้น ก็เดินมาพอมาถึงกลางลำธารเนี่ยนะกลางน้ำไนะอ้ยเหี่ยวตัวบักใหญ่เลยอีแแรงเลยมันก็เห็นว่าเป็นชิ้นเนื้อไลูกที่มันแดาเดาเดาอยู่อันข้างนึงนะสีแดงนะอีแแ้งก็โตรกมากก็โฉบแล้วงั้นเนลยลงมาจะมาขยุ่มเอาไอ้แม่เนี่ก็ร้องตบมืออ้จชดเหมือนกันไล่ไล่เหี่ยวนะมันอยู่กลางน้นะําน่ยมันไม่หยุดแล้วเหี่ยวมันก็โฉบปุ๊บเหมือนกับมันว่าชิ้นเนื้อนะ่ะ ไอ้ลูกชายไอ้ตัวที่อยู่ครังนี้เขาคิดว่าแม่เรียกใช่ไหมมันก็ไม่รู้จักว่าน้ําคืออะไรมันก็วิ่งเข้าไปหาแม่มตกจมลงไปในน้ําอีกเออลูกคนนั่นก็เหี้ยวเอาลูกคนนี้ก็ตกน้ําทีนี้ก็โดดมางมหามก็ไม่เห็นแล้วลูกตอนนั้นก็ไปละไหลไปตามน้ํามันน้าไหลซัดไปแล้วนางก็เดินข้ามฝั่งมากับแปล ว, ว่าผ้าผ่อนนี่หลุดลุ่ยไปหมดเหมือนกันเอะเป็นบา้าอะไรเสียจิตอย่างแรงเหมือนกันเถอะ โผในสุก็เดินเข้ามาในกรุงสาปถีเดินเข้ามาก็ถามว่าเป็นยังไงพ่อแม่ของเศรษฐีชื่อนั้นสบายดีอยู่เหรอสามคนตามทางแล้วเศรษฐีคนนั้นเมื่อคืนเนี่ยตึกถล่มทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกชายตายแล้วว่างก็เป็นใครอีกเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองอีกเป็นพี่ชายคนตัวนเองอีกตายแล้วโอ้ท่า น, นั้นแหละแปลว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตเลยแก้ผ้าเลยจะนี่ กรเจิดกระเจิง เ, เข้าไปยังดีเข้าไปปัดป่าเชิตะวันมหาวิหารพุทธเจ้ากําลังนั่งเทศอยู่นางคือแก้ผ้าเดินโถงเถงเข้าไปว่างั้นประชาชนเห็นมึงจะมาทํำไมอีพี่บ้าเขาก็จะอกกรนดีไล่คว้างพราะพุทธองค์ท่านรู้แล้วบอกว่าอันนี้คือสาวกในสาวิกาของเราแปลว่าจิตใจวิปลิสเพราะว่ามันเรื่องประทังเข้ามาอย่างแรงพุทธองค์บอกว่าเอ้ยอย่าไปไล่บอกให้เข้ามา บอกเขามาเ ข, ามาเข้ามาเข้ามานี่เมื่อพุทธองค์เรียกอย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งก็เลยเปลี่ยงผ้าผ้าเฉียงสบายของตัวเองโยนให้นางได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นนางก็เกิดความละอายเลยนั่งปุบลงเลยจี น, นี่คนนี้ก็เลยเอาผ้าให้พอนุ่งเรียบร้อยเลยเข้ามาพุทธองค์ก็ถามว่าเป็นไงบอกว่านางบอกว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธองค์บอกไม่ต้องพูดถึงอดีตมันผ่านมาแล้วขณะนี้ให้ตั้งใจคิดให้ดี มันผ่านมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเรื่องนั้นตั้งใจให้ดีขณะนี้นางก็มีสติขึ้นมาในเดี๋ยวนั้นเลยเออโอ้คานี่ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าคงจะเสียศูนย์ไปใหญ่พอมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วจะเอาอะไรให้มันขึ้นมาได้อย่างไรปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ถ้าทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีเพราะฉนั้นทําใจให้ดีขณะนี้ นางก็มีเจติติในเดียวนั้นก็เทศให้ฟังพระเท ศ, ท ฟ, เทศทฟังก็ขอบวชในพุทธศาสนาจากนั้นก็ได้ไปบวชภิกษุณีพอบวชเข้ามาแล้วบําเพ็ญภาวนายอย่างต่อเนื่องพอเห็นโทษละ่ะนางภาวนาแล้วไปแบกเอาน้ํำวันที่ท่านได้สาเร็จนะไปแบกเอาน้ํนนนนะาตุ่มหนึ่งพอแบกเอาน้ําคือตามปกติแขกเนะี่ยมันเอาน้ําเทินหัวด้วไม่เทินหัวก็แบกใส่บาวกันเถอะตุ่มน้ำนะ่ะไม่ได้หาบเหมือนเรา พอมาก็ตั้งตุ่มน้ําลงไปแล้วก็เทน้ําลาดเท้าตัวเองล้างเท้ากั้นพอนางเท้าไหลไปพอเทอีกขันที่สองไหลไปยาวไปอีกพอเทอีกที่สามไหลา ย, ยาวไปอีกนางคิดว่าเออเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่เหมือนกับเทน้ําราดครั้งที่หนึ่งเหมือนกับเด็กที่เกิดมาตายได้ คนเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับ น, น, น้ําน่ยเทไปมันร ะ, ะดับเนึ่ยมันก็ตายได้พอเทครั้งที่สองเหมือนกับคนกลางคนก็ตายได้พอเคครั้งที่3ามเลยน่ยมันถึงยังไงมันก็ต้องตายหมดทุกคนเหมือนกับน้ำเนี่ยมันแห้งนั่นนางพิญนาเท่านั้นแหละเขียนอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายได้เป็นพระรหันในขณะที่เอาน้ำล้างเท้าอันนี้แหละประวัติของนางปตจลาจากนั้นพระองค์ก็ได้รับเอธะตะะ เป็นผู้เลิศกว่าพิกษุนีทั้งหลายในด้านรักษาพาวินัยนางปัตตาจาราเนี่ยเป็นผู้เลิศนั่นแหละขนาดมักขุนนิพพานของท่านยังมีนะจะได้สําเร็จพระรหัสในชาตินี้แท้ๆมหันตทุกทุกอันยิ่งใหญ่จึงมากระ น, นำนางปัตตาจาราที่เป็นลูกเศรษฐีเนะี่ยขนาดนั้นแหละไม่ต้องพูดถึงพวกเราเราทัานทัน พวกเราที่อยู่ที่นี่ถึงจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เถอะยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงนางปต่ายจลาที่พูดในพระไตรปิฎกที่เป็นสาวกสาวิกาของพระเจ้าของเราแต่ถึงอย่างไรก็เถอะถึงอย่างไรก็ปราถนาอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเถอะพวกเราถ้าไม่อยากจะให้ขนาดนั้นพวกเราก็ตั้งตนตั้งแต่บัดนี้คนชั่วคนดีคนมีคนจนมันเป็นมาอย่างนั้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรคนนั้น ถึงใครจะชั่วยังไงข้าพิจ้าต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรม อ, อยู่ในจิตในใจพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งนะทั้งชาตินี้และชาติต่อไปแะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปรับตัวของเราทำแต่กรรมชั่วชาลามกนะ่อ่ามันขยังว่านะั่นนะ่ะอยากจะให้แต่คนอื่นดีฮไม่มองตัวเองในวันนี้จะได้พูดยาวนานแล้วนะ ปกกุบารจะหิวเข่าไปแห้งแล้วมั้งหลวงพออออออ่อมิเตวาวอวาวอจะว่าอีก